พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบสุดทันตาปิฎกอังคุตระนิกายเอกะทุกกะติกะนิบาศขยายความเอกะนิบาศชุมหนุมธรรมะที่มีหนึ่งข้อในการขยายความแห่งพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบนี้เนื่องด้วยไม่สามารถจะกล่าวโดยพิสดารทุกเนื้อถ้อยกระทงความจึงจะใช้วิธีพิจารณาดูว่า ในหมวดไหนมีความสำคัญอย่างธรรมดาก็จะนำมากล่าวพอเป็นตัวอย่างไม่น้อยกว่า1ิบข้อเรื่องไหนมีความสำคัญทางหลักฐานจริงๆเช่นเรื่องเอตัทัคคะที่พระผู้มีพระภาคทรงยกย่องผู้นั้นผู้นี้ว่าเลิศทางไหนก็จาเป็นที่จะต้องระบุนามหมวดทุกท่านหนึ่งเอกาธรรมะทิปาลิ บาลีว่าด้วยธรรมะหนึ่งข้อเป็นต้นพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามตรัสแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่าไม่ทรงเห็นรูปอย่างอื่นแม้รูปหนึ่งที่เรึงรัฐจิตของบุรุษได้เหมือนรูปของหญิงเลยต่อจากนั้นทรงแสดงทีละข้อถึงเสียงกลิ่นรสผลทพะของหญิง ที่รืองรัตจิตของบุรุษได้อย่างไม่มีเสียงกลิ่นรถผดทัพระอื่นเสมอเหมือนโดยทำนองเดียวกันทรงแสดงรูปเสียงเป็นต้นของบุรุษว่ารึงรัตจิตของหญิงได้อย่างไม่มีรูปเสียงอื่นเป็นต้นเสมอกันทรงแสดงว่าไม่ทรงเห็นธรรมะอื่นแม้ข้อหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้ความพอใจในกามที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วเจริญไพยบูลยิ่งขึ้นเหมือนสุภานิมิตที่บุคคลไม่ใส่ใจโดยแยบคายสุภานิมิตเครื่องหมายว่างามคือการกำหนดจิตถึงสิ่งสวยงามทรงแสดงต่อไปว่าปฏิคานิมิตคือเครื่องหมายที่เป็นเหตุขัดใจ เป็นเหตุให้เกิดพยาบาทคือความคิดปองร้ายความไม่ยินดีความเกลียดคร้านความซบเซาความเมาอาหารความท้อแท้แห่งจิตเป็นเหตุให้เกิดความหดหู่ง่วงงุนความไม่สงบแห่งจิตเป็นเหตุให้เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจการไม่ใส่ใจโดยแยบคายคือไม่พิจารณาโดยละเอียดถีถ้วน เป็นเหตุให้เกิดความลังเลสงสัยทรงแสดงในทางตรงข้ามคือแสดงถึงธรรมะที่เป็นเหตุไม่ให้นิวรห้าที่กล่าวมาแล้วเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะละได้เป็นข้อข้อคืออสุภานิมิตคือเครื่องหมายหรือการกำหนดหมายถึงสิ่งไม่งามเป็นคู่ปรับกับกามฉันหรือกามฉันทะความพอใจในกาม เมตตาหรือไมตรีจิตคิดจะให้เป็นสุขเป็นคู่ปรับกับพยาบาทคือความคิดปองร้ายธาตุคือความริเริ่มความก้าวออกความก้าวไปข้างหน้าคืออารัมพธาตุหรืออารัมพธาตุและนิกกัมมธาตุหรือนิกกัมมธาตุเป็นคู่ปรับกับทีนามิทะคือความหดหู่ง่วงงุนความสงบแห่งจิตคือเจตสโธวุปสัสสะ เป็นคู่ปรับกับอุทธจักรกุกกขจักคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจโยนิโสมาสิการหรือการใส่ใจโดยแยบคายเป็นคู่ปรับกับวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยทรงแสดงว่าไม่ทรงเห็นธรรมะอื่นแม้ข้อหนึ่งจิตถ้าไม่อบรมแล้วก็ใช้งานไม่ได้เหมือนจิต แล้วท่งแสดงจิตอีกเก้าลักษณะคือธรรมะที่อบรมแล้วยอมใช้งานได้ไม่อบรมแล้วเป็นไปเพื่ออนัต t h คือความพินาศอบรมแล้วเป็นไปเพื่ออัฏฐะคือประโยชน์ไม่อบรมไม่ปรากฏแล้วเป็นไปเพื่ออนัต t h ใหญ่อบรมแล้วปรากฏแล้วเป็นไปเพื่ออัฏฐะใหญ่ไม่อบรมแล้ว ไม่ทําให้มากแล้วเป็นไปเพื่ออนัถะใหญ่อบรมแล้วทําให้มากแล้วเป็นไปเพื่ออัฏฐใหญ่ไม่อบรมแล้วไม่ทําให้มากแล้วนำทุกมาให้อบรมแล้วทําให้มากแล้วนำความสุขมาให้ธรรมะแต่ละข้อนี้ไม่มีอะไรเสมอเหมือนจิต ทรงแสดงเรื่องจิตอีกสิบข้อคือไม่ทรงเห็นธรรมะอื่นแม้ข้อหนึ่งที่บุคคลไม่ฝึกแล้วเป็นไปเพื่อความพินาศหรืออนัตถะใหญ่ฝึกแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์หรืออัตถะใหญ่ไม่คุ้มครองแล้วไม่รักษาแล้วไม่สำรวมระวังแล้วไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังกล่าวรวมถึงสี่ข้อ เป็นไปเพื่อความพินาศหรืออนัตถาใหญ่ถ้าตรงกันข้ามคือคุ้มครองแล้วเป็นต้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์หรืออัตถาใหญ่หมายเหตุผู้อ่านอัตถาในที่นี้สะกดด้วยอออ่างไม่หันอากาศต่อเต่าถอถุงสระนะครับจะต่างกับคำว่าอัตถาที่แปลว่าความหมายที่สะกดด้วยอออ่างรอหันถอถุง ทรงแสดงเรื่องจิตต่อไปอีกเปรียบเหมือนเข้าเปลือกแห่งข้าวสาลีหรือข้าวเหนียวถ้าตั้งไว้ผิดก็ต่ํามือต่ําเท้าหรือทําให้เลือดออกไม่ได้ต่อเมื่อตั้งไว้ถูกจึงต่ํามือต่ําเท้าหรือทําให้เลือดออกได้จิตก็ฉันนั้นถ้าตั้งไว้ผิดก็ทําลายอวิชชาคือความไม่รู้ไม่ได้ทําวิชาความรู้ให้เกิดขึ้นไม่ได้ ต่อตั้งไว้ถูกจึงทำลายอาวิชชาและทำวิชชาให้เกิดขึ้นได้นอกจากนั้นยังทรงแสดงถึงการที่จิตอันโทษประทุสร้ายเป็นเหตุให้ไปนรกกับจิตห่องใสเป็นเหตุให้ไปสวรรค์จิตขุนมัวทำให้ไม่รู้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่ทำให้แจ้งซึ่งธรรมะอันยิ่งของมนุษย์ ส่วนจิตห่องใสทําให้รู้ประโยชน์ดังกล่าวและทําให้รู้แจ้งธรรมะอันยิ่งของมนุษย์ได้จิตอ่อนกวนแก่การงานยิ่งกว่าธรรมะอย่างอื่นเหมือนไม้จันเลิศกว่าไม้ชนิดอื่นเพราะอ่อนกวนแก่การงานจิตเปลี่ยนแปลงเร็วจนอุปมาได้ยากจิตห่องใสเศร้ามองได้เพราะอุปกิเลส ท, ที่จรมา หลุดพ้นได้จากอุปกิเลสที่จอนมาอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตมี16หอย่างมีความโลภความคิดประทุษร้ายความโกรธเป็นต้นทรงแสดงเรื่องจิตต่อไปอีกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สะดับไม่รู้ตามความจริงไม่มีการอบรมจิตส่วนอริยาสาวก รู้ตามความจริงมีการอบรมจิตถ้าภิกษุซองเสพอบรมใส่ใจเมตตาจิตแม้เพียงชั่วลัดนิ้วมือก็ชื่อว่าอยู่อย่างไม่ว่างจักชานทำตามคำสอนของศาสดาบริโภคอาหารของราษฎรอย่างไม่เสียเปล่าจะกล่าวใหญ่ถึงการทำให้มากซึ่งเมตตาจิตนั้น ธรรมะทั้งฝ่ายอากุศลและกุศลมีใจเป็นหัวหน้าใจเกิดขึ้นก่อนอกุศลและกุศลจึงตามมาและวส่งแสดงความประมาทความเกียรคร้านว่าทำให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปและความไม่ประมาททำให้กุศลธรรมเกิดขึ้นอกุศลธรรมเสื่อมไป ทรงแสดงถึงการริเริ่มความเพียรในธํ ร, รนองเดียวกับความไม่ประมาทและทรงแสดงธรรมะฝ่ายชั่วฝ่ายดีเป็นคู่คู่ไปที่ทำให้อกุศลเกิดขึ้นหรือกุศลเกิดขึ้นเช่นเดียวกับความประมาทความไม่ประมาทคือความปรารถนามากความปรารถนาน้อยความไม่สันโดษคือไม่ยินดีด้วยของของตนและความสันโดษ ความไม่ใส่ใจโดยแยบคายและความใส่ใจโดยแยบคายความไม่รู้ตัวกับความรู้ตัวความเป็นผู้คบคนชั่วเป็นมิตรและคบคนดีเป็นมิตรทรงแสดงโดยทำนองนี้จนครบ12ข้อใหญ่หรือประมาณ120อ่หัวข้อย่อย 2. อเอกปุคละปาลิ บาลีว่าด้วยบุคคลคนหนึ่งทรงแสดงว่าบุคคลผู้หนึ่งที่เกิดมาในโลกเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายากที่จะปรากฏขึ้นในโลกเกิดขึ้นก็เป็นอจิริยมนุษย์การทำกาละหรือตายก็ทำให้ชนเป็นอันมากเดือดร้อนใจถึงเกิดขึ้นก็ไม่มีผู้ใดเทียม เกิดขึ้นก็เหมือนเกิดดวงตาแสงสว่างทำให้มีการบรรลุคุณธรรมต่างๆจนถึงอรหัตผลในที่สุดทรงแสดงว่าไม่ทรงเห็นบุคคลอื่นแม้คนหนึ่งที่จะแสดงธรรมาจากได้ดีตามที่พระตถาคตแสดงแล้วได้เหมือนพระสารีบุตร